วัอนอาทิตย์ทิบเก้าพฤษภาพศ2 5งพเส้นกรารบรรยายคำภีมหาปัฐาตโดยอาจารย์สุเทพโพ ธ, ธ, ธิศัทธาท่านสาธุชนที่เคารพปัจจัยยี่สิวันนี้เราจะขึ้นปัจจัยที่สิที่มีชื่อว่าปุเรชาติปัจจัยปุเรชาติปัจจัยนั้นแปลตามชื่อว่าปัจจัยคือความเกิดก่อนหรือแปล ว, ว่าความเกิดก่อนเป็นปัจจัยหรือแปล ว, ว่าธรรมที่มีความเกิดก่อนเป็นปัจจัยคําว่าปุเรนั้นแปลว่าก่อนตา แปลว่าเกิดซึ่งในประธานนั้นใช้คำว่ า, าปฏิชิมแปลว่าหลังหรือปัจชานะแปลว่าหลังปุเรก่อนปัจชาหลังเรื่องของสิ่งที่เกิดก่อนเป็นการ พูดเทียบเคียง อ, า, อายุของสภาพชำสองส่วนเหมือนกับพูดถึงคนสองคนหรือสิ่งสองสิ่งพูดถึงคน2คนก็แน่นะครับว่าคนสองคนนั้นคนหนึ่งอาจจะเกิดก่อน Instead, อีกคนหนึ่งหรืออาจจะเกิดพร้อมอีกคนหนึ่งแล้วก็คนที่เกิดก่อนนั้นบางคนก็ตายไปก่อนคือจากไปก่อนพ้นไปก่อนเสียชีวิตไปก่อนเอาบุคคลที่เกิดภายหลังถ้าหากว่าตายไปก่อนในกรณีของผู้ที่ตายก่อนเนี่ยก็มีเป็น2ออย่างอีกเหมือนกันคือตายก่อนในลักษณะที่ไม่ได้มี โอกาสพบกันเหมือนอย่างบุคคลรุ่นก่อนเราไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลก่อนๆเช่นรัชกาลที่หนึ่งเี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้เกิดก่อนแล้วก็สวรรคตไปก่อนเราไม่มีโอกาสจะได้พบกับท่านคือไม่มีโอกาสร่วมสมัยร่วมการกับท่านกษัตริย์บางพระองค์นั้นเกิดก่อนเราอย่างเช่นรัชกาลที่เจ็ดรืัชกาลที่8สําหรับบางท่านที่นั่งอยู่ที่ที่นี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้เกิดก่อน แต่ว่าบางท่านที่อยู่ในที่นี้ได้มีโอกาสพบหรือร่วมชีวิตหรือร่วมสมัยกับพระมหากษัตริย์บางองค์นี่เป็นเรื่องของคนที่เกิดก่อนและในกรณีของคนที่เกิดก่อนบางคนนั้นอาจจะตายที่หลังเราก็ได้ก็เรียกว่าความเกี่ยวพันกันความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลหนึ่งที่เกิดก่อนอกันและกันเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กันไปนในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ นี่เป็นเป็นข้อเท็จจริงในทางบุคลาดิฐานแต่ว่าในทางสภาวธรรมเนี่ยท่านจะแบ่งแสดงเป็นสองกรณีด้วยกนันในกรณีหนึ่งเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างสภาวธรรมที่เกิดต่างกันกันแต่ว่ามีอายุมาร่วมสมัยร่วมเวลาหรือร่วมยุคกันนะครับพูดเป็นภาษาในเชิงประวัติศาสตรสนิทหนึ่งเป็นสภาวธรรมที่ เกิดต่างการกันก็จริงแต่สภาวธรรมสองอย่างนั้นร่วมอายุกันหรือร่วมสมัยกันโดยที่นับเอาสภาวธรรมที่เกิดก่อนสภาวธรรมที่เกิดก่อนนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดภายหลังปัจจัยนี้นะพูดถึงเฉพาะกรณีนี้และแบ่งเป็นสองอย่างคือกรณีหนึ่ง กรีหนึ่งเนี่ยท่านเรียกว่าอารมอาขอโทษแล้วเรียกว่าวัตถุปุเรชาตปัจจัยข้อนี้หมายความว่าวัตถุหกหมายถึงประสาทตาหรือจักรวัตถุก็เรียกในที่นี้เรียกว่าจักรวัตถุวัต ถ, ถุแปลว่าที่ตั้งที่อาศัยของจิตจิตมารู้อารมณ์โดยมาตั้งอาศัยที่นั่นจิตใดที่รั้วลมทางตาตาเป็นวัตถุของจิตนั้นและตานั้นถือว่าเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยแก่จักรสุวิญ ญ, ญาณ อ่าให้ฟังตรงนี้ก่อนที่จะอธิบายความหมายของคาว่าเกิดก่อนอยู่ตรงไหนหูเป็นวัตถุคือเป็นที่ตั้งที่อาศัยของโสตวิญญาณหูนั้นเป็นวัตถุปุเรชาติปัจจัยแก่โสตวิญญาณแม้จะมูกแม้ลิ้นแม้กายยะประสาทกายยะประสาทนั้นเรียกว่ากายยวัตถุเป็นวัตถุปุเรชาติปัจจัยแก่กายยะวิญญาณคือความรู้สึกทางประสาทกาย ทังจิตทั้งเจตสิกที่รู้สึกทางประสาทกายในขณะนั้นถือว่าเกิดจากกายยะประสาทเป็นวัตถุปุเรชาตปัใจจัยให้โดยความเป็นที่ตั้งที่อาศัยและอทายวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งที่อาศัยของมโนวิญญาณหรือจิตทางใจทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ามโนวิญญาณหรือมาแบ่งเป็นมโนกับมโนวิญญาณในในกรณีจัดรายละเอียดนะแต่ว่าถ้านึกเป็นคร่าวๆก็คือ จิตทางใจหรือมโนวิญญาณก็หมายถึงความนึกคิดทั้งหมดทุกๆกรณีอาศัยหาทายาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความนึกคิดหาทยายวัตถุนั้นมีมีความเป็นวัตถุปุเรชาติปัจจัยแก่มโนวิญญาณนี่เป็นเป็นการสรุปเย่างเป็นเบื้องต้นก่อนว่าปัจจัยคือวัตถุหกเป็นที่ตั้งที่อาศัยของ จิตหกชนิดวิญญาณหกเนี่ยเรียกว่าเป็นวัตถุปุเรชาตะปัจจัยผุมเขียนยืนไว้อีกครั้งหนึ่งวัตถุปุเรชาตะปัจจัยคืออ่าวัตถุหกวัตถุหกหรือประสาทหกนะฮะคือทาัตยาวัตถุเนี่ยโดยทั่วไปไม่เรียก ประสาทแต่ว่าจริงๆแล้วในคำภีร์บางแห่งท่านเรียกประสาทเหมือนกันเื่อเดียวพูดไปคนที่เรียนมาพอว่าเก่าๆหน่อยในวงการพระพิธรรมเรียกหาทยาวัตถุว่าประสาทและจะนึกว่าพูดผิดเมื่อก่อนผมก็นึกว่าพูดผิดแล้วเคยมีนกักกิจธรรมไปแก่เนื้อความในข้อเขียนที่คนเขียนเองก็ใช้ด้วยความเรียกว่ากลอนพาไปอ่ะประสาทตาประสาทหูประสาทลิ้นประสาทกาท ย, ลายและประสาทใจ พอไปถึงคําว่าประสาทใจหรือมโนประสาทเนี่ยนักอภิธรรมบอกไม่มีคํานี้ก็จริงๆโดยทั่วไปก็ไม่มีผมก็เพิ่งมาค้นเจอภายหลังว่าเออมีที่ใช้อยู่เหมือนกันในคำภีปฏิสามพิธามักโดยภาษาลิบุคที่เป็นปรมาจารย์ทางพระพิธรรมท่านเรียกใจว่าเป็นประสาทมโนประสาทเนี่ยมีอยู่จริงๆครับก็ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดแต่ว่าไม่มีที่ใช้บ่อยเช่นนั้นเองเอาละเราก็เรียกว่าเป็นวัตถุก็แล้วกันทีนี้พอใช้คําว่าประตูนั้น คนที่อยู่ในนอกวงธรรมะโดยเฉพาะในคั้นอวิธามเลยก็อาจจะฟังลาบากนิดหนึ่งแต่สำหรับที่นี่ไม่ไมีปัญหาแล้ววัตถุหกเป็นปัจจัยโดยความเป็นที่ตั้งอาศัยแก่วิญญาณ 6, กหกเราขมวดสั้นๆนี่นครับเป็นจริงที่หนึ่งของวัตถุอุเรชาตปัจจัยความเป็นวัตถุที่ตั้งอาศัยของวิญญาณหกเนี่ยภาษาปัจจัยท่านเรียกว่า วัตถุปุเรชาติปัจจุซึ่งเมื่อใส่คําว่าว่าถ้าวัตถุเฉยๆนั่นก็ฟังแล้วก็น่าจะจบกันจบกันในความหมายว่าเหมือนคนอาศัยบ้านเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่ากู้หาใสจิตวิญญาณ น, นั้นมีถ้ำเป็นที่อาศัยถ้าก็ขยายความว่าได้แก่วัตถุโขกนั่นเองเพราะจิตนั้นก็เหมือนเหมือนคนหรือเหมือนสัตว์เหมือนเสือเหมือนงูที่ต้องมี ที่ตั้งที่อาศัยเหมือนกันจิตของเรานี่ก็เหมือนกันมีที่ตั้งที่อาศัยแล้วก็แม้แต่อํานาจจิตเนี่ยอํานาจของจิตหรือพลังจิตนะที่เราถ่ายก็จะต้องมีที่เกาะคือจิตเนี่ยเป็นน้ำแต่เวลาถ่ายพลังหรือตัวจิตเองจะไปรู่อารมณ์ไหนก็มีที่ตั้งและเวลาถ่ายพลังก็จะมีที่เกาะเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาถ่ายพลังจิตเนี่ยเขาก็จะถ่ายไปในที่เกาะเช่นองค์พระพุทธรูป คามจริงจะเป็นอะไรก็ได้นะเพราะสร้างเป็นภูตะลูกก็ได้กระทั่งว่าทําเป็นประหลัดฉีกอะไรต่อะไรนี่ก็ยังเป็นที่อาศัยของวัตถุได้ใบไม้ก็ได้น้ําหมนก็ได้อ่าหรือแม้แต่ในบทคาถาก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็เหมือนกับสภาพตัวดวงจิตมันไปเกี่ยวเกาะแต่มันมีหลักว่าถ้าจิตจิตได้เป็นจิตละเอียดและมีพลังเนี่ยมันสามารถจะไป เกาะอยู่ได้แม้ในที่ว่างเปล่าอันนี้ก็คือจิตของพวกอะลูกประหลพวกอะลูกประพลมเนี่ยถือว่าเป็นจิตที่มีพลังแรงที่สุดในสายโลกิยะในสายสังสารวัตรเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตของอะลูกประพลเนี่ยจึงสามารถที่จะไปปฏิสนธิเหมือนลอยลอยอยู่เราใช้คำว่าลอยคือไม่มีอะไรไปข้ามจุน แต่อำนาจของตัวมันเองทํคำจุนอยู่นะฮะและคำว่าลอยไม่ได้แปลว่าลอยไปลอยมาลมพัดไปทางไหนก็ลอยไปทางนั้นลงลมพัดออกนอกอารมป์ปฐมมาสู่นะโลกก็ลอยลงมาไม่ได้หมายว่าลอยเควงควางแต่คือลอยหมายถึงลอยตัวนะฮะทีนี้นะผมก็เทียบว่ามันเหมือนกับอำนาจจิตเนี่ย ถ้าคนที่เขามีพลังจิตต่ำในเวลาถ่ายเ้าจะต้องถ่ายอยู่ในวัตถุยากอำนาจจิตนั้นจะเกาะอยู่ได้แต่ว่าคนที่มีพลังจิตสูงเนี่ยสามารถจะถ่ายพลังไว้ในสิ่งละเอียดได้เช่นในน้ําก็ได้และน้ํานั้นอาจจะมีการถ่ายเทจากน้ําต้นเดิมอย่างน้ำมนเนี่นะเอาของใหม่มาถ่ายของเก่าระเหยไปแล้วพลังจิตมันก็ยังอยู่ได้ ยังอยู่ได้คือมันก็ตายไปหานามใหม่ได้หรือว่าถ่ายลงไปในคาถาเนี่ยคาถามันไม่มีคําพูดเลยเลยมันไม่มีหลักมีแหล่งอะไรเลยเป็นแต่เพียงว่าเป็นคําพูดในเชิงสมมติบัญญัติใจไปกล่าวอย่างนี้เจ้าของจิตเขาอาธิษฐานว่าใครพูดคาถานี้ท่องคาถานี้ขอให้เกิดตบากเกิดอนุภาพอย่างนี้ก็เกิดตบากเกิดอนุภาพขึ้นมานะฮะแล้วก็ ก็จคนที่มีพลังจิตขั้นสูงอาจจะถ่ายไว้ในที่ตำแหน่งที่ใดที่หนึ่งนะะว่าตรงนี้ที่ตรงนี้บริเวณตรงนี้หรือในสภาพอย่างนี้เหมือนอย่างพลังจิตของพระโพธิสัตว์ที่อธิษฐานหรือได้ทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยแม้เวลาผ่านไปเป็นพันๆปีแม้ว่าใครจะขุดดินออกไปจากที่ตรงนั้นแล้วพลังจิตก็ยังอยู่เนี่ย อันนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันก็เอาความว่าโดยจิตปกติเนี่ยจะต้องมีที่ตั้งอาศัยนะเป็นที่รองรับเพราะว่าจิตเป็นสังกตตาธรรมแม้วัตถุก็ถือว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตอันหนึ่งถ้าไม่มีวัตถุเป็นที่ตั้งแล้วจิตไม่สามารถจะกระทำการหรือแสดงพลังหรื อ, อรู้อารมณ์หรือทำ กรรมหรือมึกคิดหรือรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนี่คือความที่จิตนั้นถูกเหตุถูกปัจจัยปรุงแต่งและเรากำลังพูดถึงปัจจัยหน่วยหนึ่งไม่ใช่ทุกหน่วยไม่ใช่มีอย่างนี้อย่างเดีย ว, วจิตจะรู้อารมณ์ได้อ น, นี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งคราวนี้มาพูดถึงว่าทำไมจึงเรียกว่าปุเรจิตาเพราะใส่เข้ามาแล้วกลายเป็นคาที่ เราชักรู้สึกว่าเข้าใจไม่ง่ายเหมือนอย่างเดิมซะแล้วถูเฉยๆเข้าใจง่ายดีพอวัตถุโพเร ช, ชาตาเข้าแปลว่าในาปัจฐานเนี่ยท่านกำหนดกาละของวัตถุลงไปด้วยว่าวัตถุที่เป็นปัจจัยแกวิญญาณเนี่ยมันมีลักษณะในทางกาละคือเกิดก่อนวิญญาณ เกิดก่อนวิญญาณและคําว่าเกิดก่อนตรงนี้ท่านก็ต้องไม่นึกเอาการเกิดซึ่งหมายถึงเกิดจากท้องพ่อท้องแม่และตายหมายถึงตายเข้าลงแต่เกิดและดับในความหมายทางพระภิดรมนั้นท่านหมายถึงการเกิดดับเป็นขนาดขะนะฮะไอ้เกิดอย่างที่เราพูดกันโดยทั่วไปเนี่ยเป็นการเกิดและดับอย่างห ย, ยาบๆไม่ใช่เป็นการเกิดดับที่เป็นอารมณ์ของพิปัสนา การเกิดดับที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นหมายถึงการเกิดดับอย่างที่พูดในพระราพิธมคือเป็นการเกิดดับเป็นขณะขณะท่านี้ที่ว่าวัตถุปุเรชาตานี่เราเรากาลังจะเริ่มอธิบายตรงนี้นะที่ถือว่าเป็นเป็นมุมยากลงไปหน่อยนะเนี่ยวัตถุปุเรชาตาปัจจัยถามว่าไอ้ปุเรชาตาคือการเกิดก่อนที่เรากาลังจะพูดเนี่ย วิญญาณเกิดก่อนวัตถุหรือวัตถุเกิดก่อนวิญญาณพอจะจับความได้หรือยังนี่ยังไม่ได้อธิบายไปหาจุดชัดเจนนะแต่กำลังจะซ้อมตรงนี้ว่าวัตถุปุเรชาตะปัจจัยที่พูดถึงเนี่ยวิญญาณเกิดก่อนจิตหรือจิตเกิดก่อนวิญญาณพอจับความได้ไหมอะไรเกิดก่อนกันวัตถุเกิดก่อนก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวัตถุปุเรชาตะแปลว่าวัต วัตเกิดก่อนความที่วัตถุเกิดก่อนนั่นแหละเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยแก่ละเป็นปัจจัยเก่วิญญาณซึ่งเป็นธรรมที่เกิดหลังแต่วัตถุที่เกิดก่อนนั้นไม่ได้ตายไปก่อนไม่ได้ละอาณาไปก่อนเกิดก่อนก็จริงแต่ยังคงอยู่เหมือนพ่อแม่เกิดก่อนลูกถ้าพ่อแม่ตายไปก่อนก็ไม่มีโอกาสจะมาเป็นพ่อแม่ของลูกคนที่เกิดจากตัวใช่ไหม แต่พราพ่อแม่เกิดก่อนยังไม่ตายไปก่อนมีเกิดก่อนแล้วมีอายุยืนหยัดอยู่ด้วยกันทั้งคู่จึงมาให้กําเนิดลูกซึ่งเป็นผู้เกิดหลังแต่ทั้งสองคู่ทั้งสองฝ่ายคือพ่อแม่กับลูกเนี่ยถึงฝ่ายหนึ่งจะเกิดก่อนแต่ทั้งสองฝ่ายได้มาร่วมการกันคือได้มีส่วนร่วมอายุกัน ก็รวมมากร่วมน้อยนะัเป็นรายละเอียดอีกชั้นหนึ่งลงไปอีกก็เราก็จะนึกได้ว่าอาพ่อแม่บางคนเกิดพ่อแม่ทุกคนเนี่ยต้องเกิดก่อนลูกเราพูดได้อย่างนี้เลยทีเดียวว่าบางพ่อแม่บางคนก็อาจจะมีชีวิตร่วมสมัยกับลูกน้อยน ะ, ะน้อยเนี่ยบางคนก็ปีเดียว พ่อหรือแม่หรือทั้งพ่อทั้งแม่ตายไปก่อนลูกบางคนก็อาจจะไม่ถึงปีไม่กี่เดือนพอให้กําเนิดลูกแล้วก็ตัวเองก็อ่าพ่อตายไปก่อนแม่ก็อาจจะกร จ, จะคลอดแล้วก็เสียชีวิตไปลูกยังอยู่เนี่ยนะก็ถึงแม้ว่าจะได้ไม่ไม่มีโอกาสได้พูดกันได้เห็นหน้ากันแต่โดย การร่วมสมัยของชีวิตแล้วก็ถือว่าร่วมกันและเป็นปัจจัยกันในลักษณะที่พ่อแม่เป็นผู้เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ลูกเกิดหลังนี่เป็นเป็นตัวอย่างเทียบเคียงในชั้นหยาบๆแต่สภาวะธรรมเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่นี้สภาวธรรมตรงนี้นั่นอธิบายว่าจุดที่เราจะต้องทบทวนกันในส่วนที่หนึ่งเลยก็คือผมถามว่ารูปกับนามเนี่ย อะไรมีอายุยืนกว่ากันลูกกับ น, นามอะไรอายุยืนกว่ากันาบางคนก็บอกนามบางคนก็บอกลูกก็ต่างคนต่างถูกด้วยกันทั้งคู่ที่ว่าถึงแม้ผมไม่ถามว่าถูกอย่างไรผมอธิบายแล้วก็คงจะกรงไวที่นั่นคิดเข้าใจแล้วตอบผมว่านามอายุยืนกว่าเนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยไม่กี่ปีก็เข้าลงใช่ไหมแต่ว่าจิตไม่เข้าลง เข้าลงและจิตออกนอกลงจิตไม่ยอมเข้าลงไปไปเข้าท้องเกิดใหม่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับอันนี้ก็อธิบายแบบสัตตตถที่สี่หรือหรือพูดอีกอย่างอธิบายแบบอโล ก, กะโวหารปุกะลาโวหารถือว่าจิตเป็นของไม่ไม่ตายแบบสมมุติโล ก, กะโวหารนะเหมือนเราบอกว่าเรานั่งอยู่เนี่ยไม่เรากําลังไม่ตายพูดดึสมมติควาจริงเราตายอยู่ตลอดเวลานะพูดโดยสภาวะประมาจาร์แตนั้น ถ้าพูดโดยสมุติโวหารโดยบุคลาทิฐานท่านก็ว่าจิตเนี่ยมันเป็นของไม่ได้แตกดับไปด้วยเหมือนอย่างาคำกลรงโลกนิชใช่ไหมว่าแตกดับแต่ตัวแต่ความดียังอยู่อะไรทำนองอย่างนี้ดนั้นเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงตรงอย่างตรงนี้นะ ถ้าเป็นสัสตตะเลยก็ถือว่าจิตเป็นนมตะเลยอย่างนั้นผิดไปเลยนะของเราพูดแต่ไม่ได้ถือเป็นนามตะอย่างนั้นหรอกพูดเราก็รู้สมมุติจิตเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันก็เกิดดับไม่ตายก็เกิดดับตายก็เกิดดับการนี้ว่าถ้าเราพูดอย่างอย่างกรณีที่ต่อว่าจิตมีอายุยืนกว่ากายกับรูปเนี่ยเราก็ตั้งกับเกิดมาสมมุติเราพันชาติร่างกายเราแตกดับไปแล้ว พันศพแต่จิตไม่เคยเป็นศพเลยจิตก็ออกจากล่างไปเรื่อยพูดตามภาษาสมมตินะก็พูดจาลองอย่างนั้นแหละศาสนาพูดก็พูดอย่างนี้แต่ถือว่านั่นเป็นเพียงสมมุติวิโหารไม่ใช่พูดเข้าขั้นถึงจุดปามันขั้นถึงจุดปรมันแล้วมันมีแต่แตกดับในรายละเอียดทั้งนั้นพูดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พูดแบบในโรงหนัง เพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ตอบโดยความหมายอย่างนี้ก็ถูกของท่านถูกโดยสมมุติวิหานแต่ไม่ถูกโดยหลักปัจจัยหรือหลักวิปัสนาเพราะโดยหลักวิปัสนาเนี่ยหรือโดยหลักระวิธรรมเนี่ยมันเป็นหลักเดียวกันเพราะวิธรรมนั้นเป็นประโยชน์แก่วิปัสนาคนแตกในวิปัสนาปฏิบัติวิปัสนาแล้วก็สามารถจะแทงลึกในหลักทฤษฎีทางระวิธรรมได้เข้าเป็นปีเป็นคุยเลย ถ้าตอบอย่างหลักอวิธรรมรูปกับนามกายกับใจใครมีอายุยืนกว่ากันใครมีอายุยืนกว่ากันรูปใช่ไหมรูปมีอายุยืนกว่านามทําไมถึงว่าอย่างนั้นตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าเองเข้าใจความรู้สึนกนคิดของโลกและวพอจะคิดถึงตรง น, นี้ท่านถึงได้ตรัสไวในพระสูตรพิธานสังยุตที่เรากําลังพูดถึงอยู่แต่ยังไม่ถึงสูตรนี้ ว่าข้อที่บุคคลจะพึงถือเอาร่างกายว่าเป็นตนเนี่ยยังดีกว่าดีกว่าการถือเอาดวงจิตว่าเป็นตนเป็นอัตตาเป็นนมตะเนี่ยนะเพราะอะไรข้อที่ถือจั่วจิตเป็นตนไม่ดีเลยเพราะอะไรเพราะแท้ที่จริงแล้วนะดวงจิตนะเกิดดับเร็วกว่ากายใช่ไหมใช่ถ้าเราเอาง่ายๆว่าเอาเอาแบบ เชิงไม่เอาละเอียดก่อนเนยนะเราก้าวเท้าไปก้าวหนึ่งความรู้สึกเปลี่ยนไปตั้งเยอะใช่ไหมฮะหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งจิต เปลี่ยนไปทั้งเยอะเปลี่ยนไปเนี่คือเปลี่ยนความรู้สึกเอาเอาแค่ความรู้สึกปอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายืนอยู่อิริยาบทเดียวชั่วเวลาใดเวลาหนึ่งอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไปทั้งเยอะนี่เขาเรียกวเปลี่ยนในขั้นความรู้สึกแต่ว่าในทางวิธรมเนี่ยเขาไม่ได้หมายเอาเปลี่ยนเอาในความรู้สึกนะไอ้ความรู้สึกบางทีความรู้สึกไม่เปลี่ยนแต่ว่าขนาจิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเหมือนแสงระหว่างเนี่ย แสงระหว่างก็เอ่อเท่าเดิมนะเราก็ดูเท่าเดิมมันเหมือนเมื่อเปลี่ยนไม่ต้องไปลดกำลังไฟแต่ว่าไฟเกิดดับกระแสไฟเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเกิดดับขั้นละเอียดเนี่ยจึงละเลยอาการเปลี่ยนขั้นหยาบๆทุกๆอย่างที่เราเห็นเราพูดถึงเราก็ใจถึงทั้งหมดหมายเอาความเกิดดับเป็นขณะเมื่อ จับดิงลงมาสู่ความเปิดดับในทางเนื่อใหม่แล้วก็ได้คําตอบว่ารูปเป็นของหยาบเกิดดับช้าอุ้ยอ้ายกว่าจิตจิตเป็นของละเอียดเกิดดับเร็วเนื่องจากว่ามันดับเร็วเนี่ยครับเกิดดับเร็วมันเร็วจัดไปจนกระทั่งไม่เห็นว่ามันดับ <S <S ในทางการรับรู้เลยมันมันเข้าใจผิดตรงนี้อะอะไรที่มันเร็วเ็วเนี่ยเราไม่เห็นพิรุษไงฮะเหมือนคนเล่นกลอะเราไม่เห็นเป็พิรุษ คนที่เอาเอาเอาพบไฟเล็กๆอาการพูบมาแกว่งเร็วๆก็เลยกลายไปเห็นเป็นวงกลมไม่เห็นเป็นกา้านทีนี้ไอ้ร่างกายเนี่ยมันเกิดดับชาชาจนกระทั่งเราจับสังเกตมันได้โดยง่ายไม่ยากเหมือนจิตเราก็รู้สึกว่าร่างกายนะเป็นของเกิดดับเร็วกลายไปในางานไปนะ นี่คือไอ้ตัวจริงกับการรับรู้เนี่ยมันคนละอย่างกันเมื่อตัวจริงมันเป็นอย่างอย่างชนิดที่ปิดบังความรับรู้ทําให้เราตีค่าความจริงอย่างคนถูกไอ้ความรู้มันหลอกตามันปิดบงังเลยแปลความสภาวะธรรมชนิดตรงกันข้ามกับที่ผู้อย่างเห็นความจริงเขาเห็นกันอทีนี้มาพูดดีว่าความเกิดดับ ของรูปกับนามถามว่าอัตราส่วนเท่าไร่ต่อเท่าไหรสิบเจ็ดต่อหนึ่งใครสิเจ็ดใครหนึ่งฮะรูปหนึ่งรูปหนึ่งส่วนมีอายุยืนเท่ากับสิบเจ็ดขณะของจิตตรงนี้นะบางทีพูดแล้วก็เหมือนฟังง่ายๆมีสําหรับคนที่ออกยาใหม่ๆ ห, หน่อยนะแต่ว่าเอาเข้าจริงก็ยากกันนะ นี่จากประสบการณ์ที่ผมพูดสิบเจ็ดตอนหนึงนงนน่ง่ตอนสนะิบเจ็ดนี่ยพูดแล้วบางคนก็ยังงงอยู่หลายอาทิตย์นะครับก็ยังไม่รู้ชัดว่าเออมันคือเท่าไหร่คืออย่างไรนะฮะก็ก็จาง่า ย, ายๆว่ า, ามันเหมือนกับคนบางคนนะฮะมีอายุยืนมากกว่าหรือเท่ากับชีวิตของคนตั้งหลายคนเอางี้ก็ได้น ะ, ะใช่ไหมครับเราเรานึกถึงอย่าง เองสมัยก่อนเนี่ยเราเรามักจะพูดว่าราชดอนบางคนมีอายุมากกว่าพระราชาราษฎรบางคนใช้พระราชาเปลืองชีวิตเขาน่ะครอบคลุมหรือมากกว่าชีวิตของพระเจ้าบดินถึงห้าราชการก็มีในยุคเราเนี่ยนะฮะสมัยที่ผมเข้าวัดเข้าวาใหม่ๆเนี่ยผมยังเจอคุณหลวงคนหนึ่งท่านเา่าว่าท่านเป็นนิสิตจุฬารุ่นแลกแล้วก็ท่านบอกว่าท่าน ผ่านอายุพระเจ้าแผ่นดินมาถึงห้าห้ารัชกาลแล้วนะครับห้รารัชกาลแล้วแต่ถึงวันนี้ท่านเสียไปแล้วสมัยก่อนใส่หมวกโลกไม่ต้าวอันมาสติสัมปชัญญะดีมากก็ออตายไปแล้วผมไม่ได้ไปงานศพด้วยทีนี้พอมาถึงยุคนี้เนี่ยอาจจะกลับตละปัดซะแล้วลครับเราเห็นพระราชกราเนียกิจวา่าดูตามหนังสือพิมพ์พระระากรามเปลิงศพเสด็จพระรากรตาม คนตัวนี้รัฐมนตรีคนแล้วคนเล่านายกคนแล้วคนเล่าอย่างนี้ก็ต้องเบาแหมในหลวงท่านก็ใช้นายกเปืองแต่รัฐมนตรีเปลือ ง, ใ, งใช้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปลืองก็โทษเร่าแม้กระทั่งพระเจ้ากระช้เปลืองไปด้วยหลวงพ่อสะดีๆทางอีสานนี่ในหลวงเสด็จไปซะเยอะแล้วใช่ไหมละ่ะแต่ในหลวงยังอยู่ก็อย่างนี้นะ่ะเรียกว่า หนึ่งต่อหนึ่งต่อเท่าไหร่เท่าไรนะทีนี้<ม>การที่เ อ, อใครคนใดคนหนึ่งที่ ม, มีอายุยืนกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ย<ม>ก็เรียกว่าทําให้ได้รู้ได้เห็นได้มีส่วนที่จะเป็นปัจจัยเป็น อ, อมันเหมือนกับพ่อค้าที่เดินทางไปที่นท้องสินค้านนี่ไม้คนนี้นะ ได้เรียนรู้จากคนนี้ได้เอาอข้อแท้จริงของนนคนนั้นคนนี้มาสอ น, อ น, นคนนั้นคนนี้เป็นแนวแนะนําคนนั้นคนนีน้อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่คนรุ่นหลังๆได้มากอันนี้เป็นเรื่องของลักษณะทางสังคมมนุษย์ค่านี้สภาวธรรมเนี่ย <c oughs> เนื่องจากว่านะะรูปเนี่ยมีอายุยืนมากกว่าจิตเราอาจจะเทียบว่ามันเหมือนกับ ไอ้ต้นหมากลากไม้เนี่ยนะฮะอย่างเช่นไอ้ต้นมไม้ที่เราปลูกบ้านอยู่กับบ้านเนี่ยถามว่าไม้มันเกิดก่อนเราหรือเกิดหลังเราเกิดก่อนนะใช่ไหมเกิดก่อนแล้วก็ถ้าเราเลือกได้อย่างสมัยสมัยก่อนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเลือกเอาไม้ที่แข็งแรงที่สุดที่ดีที่สุดที่มีอายุยาวนานที่สุด เอามาใช้ทําอะไรก็แล้วแต่ปลูกบ้านปลูกเรือนทําเสาเขื่อนบ้านเขื่อนเมืองเนีน่ยนะ<ม>เขาก็เลือก<ม>อย่างนั้นซึ่งล้วนแล้วแต่ชีวิตเราเนี่ยเราเห็นในชาติว่าโลกก็เกิดก่อนเราเราเกิดที่หลังโลกชข้ามาหินลับมีที่ใช้ลับมีดมันก็เกิดก่อนเราเราเกิดที่หลังหินนะก็ล้วนแล้วแต่เกิดที่หลังแทบจะทั้งนั้นแม้แต่อิดแม้แต่ปูนเนี่ย ถึงมันจะออกมาเป็นในผลิตภัณฑ์ใหม่แต่มันก็คือมาจากของเก่าๆที่เราอาศัยสิ่งที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยเนี่ยข้างนอกข้างนอกหนึ่งก็เป็นอย่างนี้พบปูนต่างๆก็เกิดก่อนแล้วเรามาอาศัยมันเกียวโดเดเทียวดาก็เหมือนกันนรกก็เหมือนกันขณนี้สุเข้ามาสู่สภ า, าวะธรรมเนี่ยประสาตามันก็เกิดดับเหมือนกระจิตมันต่างกันนะว่าประสาตาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผ่านเวลาสมมุติว่าเราเทียบว่า อายุของประสาตาหน่วยหนึ่งหนึ่งที่คนปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเห็นความเกิดดับอย่างเร็วนี่นะหน่วยหนึ่ ง, นงเนี่ยมันมีอายุเท่ากับสิบเจ็ดวินาทีสมมุติว่าเราเทียบคำว่าวินาทีว่าเป็นขณะดจิตหนึ่งหนึ่งนะมันยืนอยู่สิบเจ็ดวินาทีทีนี้เราลองมานึกดูนะครับว่าที่ประสาตาเราเนี่ยมันมีหน่วยประสาตาหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยหลายหน่วยใช่ไหมครับประสาทกายก็หลายหน่วยแล้วก็แต่ละหน่วยนี่ยมันก็เกิดทั้งมัน เกิดจนถึงสิบเจ็ดขนาจิตมันก็ดับข้งมันไอ้ของ ม, มันก็เกิดทับถมอยู่ในนั้นอยู่ใ น, น, <ม> น, นที่ประสาทตาแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นหลายกระลาบหลายกระลาบแห่งกลุ่มรูปที่เรียกว่าจักขู่ประสาทแต่ว่าจิต เ, เอาเป็นว่าหลายหน่วยด้วยอันหนึง่งแล้วก็เกิดตลอดเวลาด้วยใช่ไหมใช่ขนาดเราหลับตาประสาทตาบอดไหมไม่บอดอย่างดีหลับตามันก็เกิดเกิดข้างมันอย่างเต็มที่แต่ถามว่าขณะหลับตาเนี่ยจักสูวิ ญ, ญญาณเกิดไหม ไม่เกิดแล้วเวลาเราลืมตาสองข้างดูรูปจักสูวิญญาณดูทั้งสองตาป้อมๆกันหรือดูทีละตาดูทีละตาที่หมายความว่ารูปเนี่ยโดยหน่วยโดยอายุก็มากกว่าจิตโดยหน่วยก็มากกว่าจิตโดยการเกิดก็เกิดตลอดเวลาจักสูวิญญาณไม่ได้เกิดตลอดเวลาในการนั้นนะ จากสู่วิญญาณไม่ได้เกิดตลอดเวลาก็หมายความว่าประสาตตาเราเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างศูนย์เปล่าเส้อเป็นส่วนมากจริงไม่จริงเหมือนบ้านเราทั้งหลังนะศูนย์เปล่าไปทั้งเยอะใช่ไหมใช่บางทีเรามองมองไปดานแล้วก็นึกเสียดายไปดานนี่ทำแต่อย่างดิีๆทาแล้วก็ตั้งการปลูกแล้วก็ไม่ได้เคยไปดูไปจับไปเท้ามันอีกเลยใช่ไหมล่ะไม่ได้ไปอาศัยไม่ได้ไปนอนมันเลย มันก็เหมือนศูนย์เปล่าแล้เราก็ว่าศูนย์เปล่าในเชิงการใช้สอยแบบไปอาศัยนอนอาศัยนั่งสำเร็จญาบทต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตของเราที่บริโภคอัตภาพเนี่ยประสาตาบริโภคจกักรวิญญาณบริโภคประสาตาประสาตาจึงศูนย์เปล่าไปโดยหน่วยเนี่ย มากกว่าที่เป็นประโยชน์ในทางการบริโภคถูกไม่ถูกเอาละสมมุติเราไม่พูดถึงหลายๆหน่วยเอาเฉพาะหน่วยเดียวหมายถึงขนระราษาตาขณะเดียวส่วนเดียวในขณะเดียวขณะเดียวหมายถึงขณะที่จักสูญวิญญาณเข้ามาอาศัยมันไม่สามารถที่จะเข้ามาอาศัยเตมสิบเจ็ดขณะได้ มันเหมือนกับเราไอ้ห้องเนี่ยลราเป็นห้องสำหรับเรานอนเนี่ยเราได้เดินได้เยินได้ยืนได้เดินได้นั่งได้นอนแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ห้องนั้นได้ในเต็มที่ร้อยเปอร์เซนใช่ไหมยังมีการเลือกใช้ยังมีการเลือกใช้เลือกจุดว่าใช้ใช้ได้ในส่วนไหนช่องไหนเวลาไหนอ่าก็มีเวลาเ๋จะไปนอน ทั้งวีทั้งหวันทั้งปีในชีวิตมันก็เราก็ไม่อยากอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นประสาทตาทั้งสิบเจ็ดขนาจิตเนี่ยจึงปรากฏว่าผมเขียนเป็นวงๆสมมติเลยนะฮะสมมุติว่าเป็นหนึ่งถึงสิบเจ็ดแล้วเรานับเป็นขนาเดียวแต่ส7เจดเนี่ยหมายถึงเรานับเทียบ เป็นระยะเวลาเรียกสมมติว่าสิบเจ็ดวินาทีรูปขนาดรูปหน่วยหนึ่งมีอายุเท่ากับสิบเจ็ดวินาทีสมมติว่างกันนะทีนี้ไอ้จิตขนาดหนึ่งเนี่ยมันมีอายุแค่หนึ่งวินาทีเมื่อรูปมีอายุหนึ่งวินาทีเนี่ยมันจะไปอาศัยเอ่อเทราจิตมีอายุแค่หนึ่งวินาที มันจะไปยืดอายุตัวเองก็ไม่ได้มันเมื่อมันยืดอายุตัวเองไม่ได้มันจะไปอาศัยรูปทั้งสิบเจ็ดขนาดสิบเจ็ดวินาทีอยู่ก็ไม่ได้เพราะอายุตัวไม่ไม่พอดีกันน้อยกว่าอายุของรูปยืดไม่ได้บ้านเราถึงจะอายุยืนแค่ไหนเราก็อยากจะอยู่แต่ไม่ยุก็อยู่ไม่ได้นะมันก็ต้องตายไปก่อนบ้าน เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยชน์จากบ้านบริโภคบ้านหรือสิ่งของอื่นใดเท่าที่อายุเรามีเนี่ยไอ้จากสุวิญญาณมันดีกว่าคนตรงที่ว่าคนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเองน่ะก็มีสิทธิ์มีเวลาบริโภคได้ช่วงเวลาเท่านี้แต่ไอ้ความมากมากเนี่ยมันเกินตัวได้ใช่ไหม แต่ความมักมากมากเกินตัวเนี่ยมันทำให้ความเป็นไปได้ตามใจความมักมากใไหมไม่เรามักมากแต่ว่าความเป็นจริงมันก็ไม่มากตามที่เรามาักมันไม่สามารถจะได้มากตามที่เรามาักแต่จักสุวิญญาณเนี่ยเขาไม่มีความมักมากนะฮะด้วยแล้วก็เสวย อายุของประสาทเท่าที่มันเป็นจริงด้วยนี่ก็เทียบมาจากสู่วิญญาณเหมือนกับคนนะมันต่างกันตรงนี้จึงเป็นอันว่าจากสูวิญญาณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ประโยชน์หรือบริโภคประสาทชั่วเวลาหนึ่งในสิบเจ็ดเท่านั้นเวลาที่ตัวเองจะมีชีวิตอยู่ดำรงขณะอยู่ที่จะอาศัยประสาทตาเนี่ย วินาทีใดวินาทีหนึ่งในสิบเจ็ดนี้นี่ก็มาถึงจุดเลือกละว่าจะเลือกวินาทีไหนไอ้เลือกในตัวเองไม่ได้มีสิทธิเลือกเองมาเลือกโดยธรรมชาติบังคับนะฮะธรรมชาติบังคับเราปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปใ น, ในสายไฟถามว่ากระแสไฟฟ้ามันจะเลือกผ่าน ไอ้ปลอกสายไฟหรือหรือลวดทองแดงมันเลือกผ่านลวดทองแดงมันไม่เลือกผ่านปลอกที่หุ้มลวดทองแดงถามว่าใครไปบังคับมันล่ะมันคิดไว้ก่อนแล้วว่าฉันเดี๋ยวเถะฉันไปทางนี้แล้วฉันจะเข้าทางนี้เดี๋ยวฉันจะพยายามออกนอกตรงนี้มันก็ไม่มีความคิดใช่ไหมไอ้นี่เลยว่าธรรมชาติบังคับมันไม่มีเจตนาจะให้เป็นไปอย่างอู้อย่างนี้ฉันใดกระฉันนั้นสภาวะธรรมเนี่ย มันจะอาศัยตรงไหนมันเป็นไปตามธรรมชาติบังคับโดยธรรมดาของมันและธรรมชาติมันบังคับว่าอย่างไรก็บังคับว่ารูปที่เกิดขึ้นในวินาทีแรกอ่อนแออ่อนแอเกินกว่าที่ปราสาทจะเข้าไปอาศัยได้และรูปในวินาทีหลังก็อ่อนแอไม่สามารถที่จะรองรับไม่ควรที่จะรองรับ จากสู่วิญญาณได้นะแต่ล้วมันก็มีสิทธิเลือกเพราะว่าไอ้คันหน่วยของประสาทเนี่ยมันมีทั้งหลายหน่วย ก, ก็นั่นก็เป็นสิทธิเลือกอันหนึ่งและยังเลือกเวลาช่วงเวลาช่วงอายุที่แข็งแรงดีที่สุดเหตุนั้นมันจึงเลือกโดยอัตโนมัติธรรมชาติบังคับเนี่ยครับเขาเลือกอายุประสาทในช่วงกลางๆงที่ภาษา ปัจฐานก็เรียกว่ามัชชิมายุกะประสาทแปลว่าประสาทที่ได้อายุกลางๆได้อายุช่วงกลางๆพอดีพอดีเหมือนมะม่วงกาลังสุกพอดีพอดีอย่างนี้นะจนช่วงใช้สอยมันก็เลยอาศัยจักรคู่ประสาทขนะใดขนาหนึ่งที่อยู่ในช่วงกลางๆแล้วแต่จังหวะที่เหมาะสมของมัน <c oughs> สมมติว่าจับสุวิญ ญ, ญาณ อาศัยจากขุป萨ตรงขณะนี้เราดูจากในนี้สมมติว่าเป็นขณะที่เอาเป็นว่าขนาดกลางพอดีเลยก็ขณะที่8ปดมุดเอานะขณะที่8อาศัยตรงนี้พอพ้นขณะ8ไปเนี่ยจากสู่วิ ญ, ญญาณต้องดับใช่ไหมเพราะตัวเองมีอายุแค่วินาทีเดียวต้องดับประา萨ยังอยู่มันพ้นขนาดไปแล้วพ้นเวลาไป1วินาทีนั้นไปแต่ตัวเองยังอยู่จากสู่วิ ญ, ญญาณดับไอ้ตรงนี้แหละครับลักษณะของการเข้าไปอาศัยวัตถุอย่างนี้แหละ ตัววัตถุเป็นวัตถุปัจจัยแก่จากสุวิญญาณและเพราะว่าวัตถ like ah. ุคือประสาทตาเนี่ยในขณะที่แปดที่เป็นปัจจัยแก่จากสุวิญญาณเนี uhm ่ยประสาทตานี้เกิดมาก่อนจากสุวิญญาณใช่ไหมใช่เกิดมาก่อนจากสุวิญญาณไม่ได้มาเกิดรอเกิดรอไม่ได้เกิดในขณะที่แปดพอดีพอดีแล้วก็อาศัยประสาทในขณะที่8นั้นจากสุประสาทในวินาทีที่แปดเนี่ยครับ เป็นของเกิดมาก่อนจากสุวิญญาณถูกไหมเกิดมาก่อนแล้วก็รอเวลาเติบโตเข้มแข็งจนถึงขนาดที่แปดจากสุวิญญาณเกิดตรงนี้และอาศัยมันเห็นรูปตรงนี้จึงเรียกได้ว่าวัตถุปุเรชาติปัจจัยแต่ตเติมให้เต็มตัวนี้เรียกว่าจากขูวัตถุปุเรชาติปัจจัยคือจากขู่ประสาทที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยโดยความเป็นที่ตั้งทียสายแก่ จากสุวิญญาณที่เกิดที่หลังโดยเหตุนั้นจากสุวิญญาณเนี่ยเกิดที่หลังด้วยแล้วก็ดับก่อนด้วยใช่ไหมเกิดที่หลังประสาทด้วยแล้วก็ดับก่อนด้วยนีอยอยลล่อธิบายอย่างลงลึกอธิบายอย่างลงลึกแล้วก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยใดที่สมเหมาะมันก็ใส่เหตุปัจจัยนั้นเป็นไป เป็นหลักธรรมดาที่สุดและครับเพราะนั้นประสาทหูก็เหมือนกันประสาทจมูกก็เหมือนกันประสาทลิ้นก็เหมือนกันประสาทกายก็เหมือนกันและแม้หาทายวัตถุที่เป็นประสาทของใจเนี่ยก็มีสภาพเป่นอย่างนี้โดยปกติเว้นแต่สภาวะภาวะหน้าสิวหน้าขวานบางอย่างเกิดภาวะจาเป็น อันนี้จะมีกรณีที่จะว่าต่างหากอีกทีหนึ่งที่เขาเรียกว่าวัฏถารมณะปุเรชาตาิอะไรสือเป็นภาวาหน้าสีหน้าขวานก็ว่าอีกทีนะเพราะว่าคนเราเนี่ยอย่างที่ว่าแหะถ้าเลือกได้ก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้มันก็จําเป็นจะต้องใช้สอยอเรานึกถึงไอ้พวกวัสดุคือไม้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเนี่ยไม้อ่อนๆซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอย่างเขา ใส่เตาอย่างเดียวไม่มีค่าไม้อ่อนๆนะฮะไอเฟอร์นิเจอร์รุ่นเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าไม้สักมันไม่เคยมีแล้วเมื่อไม่เคยมีเนี่ยไอสิ่งที่ตัวเองโดยปกติไม่เอาไม่ใช้ก็ต้องจำใจเอามาใช้เอามาสอยตามความจำเป็นเพราะนั้นคนเราเนี่ยถึงคราวไอระยะหน้าติวนักวานที่จำเป็นเนี่ย โดยสภาวะธรรมบางทีมันก็ใช้ใช้เป็นที่อาศัยเป็นไปในกระแสเหตุปัจจัยเหมือนกันนะฮะนี่พูดจริงในมุมนี้ไว้ก่อนจะนี่มาถึงปัจจัยอีกอีกส่วนหนึ่งของปุเรชาติปัจจัยเรียกว่าอารมณปุเรชาติปัจจัยอารมณปุเรชาตปัจจัยเป็นส่วนที่สองนะครับมันก็ ครอบคลุมข้อความในนี้จากข้อไหนถึงก่อนนะผมพูดเป็นการขมวดหลายๆข้อที่อธิบายไปด้วยกันได้เป็นข้อเดียวกันอ่าเดี๋ยวเราดูในเอกสารตั้งหลักกันนิดนึงว่าข้อที่บอกว่าวัตถุอัปเรชาตตาปัจจัยข้อหนึ่งถึงข้อห้าซ้ํากันนิสยะาณิสยาเน้นว่าอาศัยแต่ไม่เน้นการนะแต่ว่า ภูดรชาตาปัจจัยเนี่ยก็พูดถึงนิสยานแหละแต่ว่าเน้นการลงไปเน้นการของปัจจัยว่าเกิดก่อนผลของตัวเองก็คือข้อหนึ่งถึงข้อห้า ท, ที่บอกว่าซ้ํากับนิสยปัใจจัยในข้อหกถึงข้อสิบเดี๋ยวเราเราไปดูดูนิสยปัจจัยให้เห็นกันชัดๆอีกทีนะนิสยาปัจจัยปัจจัยที่แปดปัดจจัยที่แปดนะ นิสัยปัจจัยข้อหนึ่งถึงข้อ 5, ห้าสามศาสชาตาปัจจัยสาจชาตาปัจจัยก็ข้อนั้นเป็นความสัมพันธ์กระหว่างนามกระลูกลูกกระนามก็อันนั้นก็เป็นนิสัยเป็นการอาศัยซึ่งกันและกันในอีกมุมหนึ่งและข้อหกถึงข้อสิบก็คือประสาทที่เป็นปัจจัยแก่จิตแก่เจตสิกประเภทนั้นๆที่อาศัยและข้อสิบเอ็ดนั้นเป็นอาตยาวัตถุ อ่าคราวนี้เราเราสะมาดูว่าอาชีบอกว่าข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนี่ยหมายถึงข้อหนึ่งถึงข้อห้าอย่างที่ในบาลีเขาเรียงขเขาเรียงข้อหนึ่งถึงข้อห้าในบาลีของปุเรชาตาิปัจจัยเอ่อท่าน คงจะต้องเปิดหน้าเจ็ดขอเอกสารที่แจกวันนี้นะครับเอกสารหน้าเจ็ดที่แจกวันนี้ดูปุเรชาตาิปัจจัยข้อหนึ่งถึงข้อหว่าข้อหนึ่งถึงข้อหของปุเรชาติปัจจัยคือการกล่าวถึงประสาททั้งห้านะข้อหนึ่งคือจักรูประสาทที่เราจะขายยตนะนั่นแหละครับเป็นปัจจัยแก่จักรสุวิ ญ, ญญาณและเจสิกที่ประกอบกป็จักรูวิญ ญ, ญาณมันก็คือสหาชาตาิสห อานิสยาปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับนั่นเองนิสยปัจจัยในะอยู่ในข้อหกถึงข้อสิบแล้วมันก็ต้องโดยเอกสารประกอบกันออย่างมากก็สองชุดนะคื อ, อเอกสารชุดที่เราเราเราเราแปลเก็บความเนี่ยเป็นเอกสารช่วยเอกสารชุดบาลีนะครับที่แจกวันนี้ด้วยนะฮะวันนี้ก็มีกําแปลด้วย คำแปลตามไปเจนะแบบเต็มๆก็ต้องดูประกอบกันดูประกอบกันนะก็ได้ความว่าปุเรชาติปัจจัยในส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่หนึ่งระหว่างก็อหนึ่งถึงก้อนอัเนี่ยนะเป็นส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนของวัตถุปุเรชาติปัจจัยความหมายโดยย่อ ก, ก็คือปัญจประสาทอันใดอันหนึ่งอย่างเดียวนะครับ อย่างเช่นจักรสุประศาสตรอย่างเดียวเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณเนี่ยถึงใช้คําว่าเดียวลงไปเพื่อจะว่าปราศาทอันใดก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณอันนั้นคือปัญจปราศาสตรคือปราศาสทั้งห้าเป็นปัจจัยแก่ปัญจวิญญาณคือวิญญาณทั้งห้าโดยความเป็นวัตถุปเรปัชาตาปัจจัยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัตถุปเรชาตานิสย ะ, ะกระดาคือ เป็นการเรียกแบ่งประเภทเลยว่าวัตถุปเรชาตาอย่างนี้เป็นวัตถุปเรชาตาในลักษณะที่ประสาทเป็นที่อาศัยคือเป็นนิสยะของวิญญาณนี่เป็นส่วนที่หนึ่งของปเรชาตาปัจจัยส่วนนี้เรียกว่าวัตถุปเรชาตานิสยะ การนี้มาดูส่วนที่สองที่กำลังอธิบายต่อไปถ้าในบาลีของปุเรชาตาปัจจัยที่สวดก็อยู่ในข้อหกถึงข้อสิบเอ็ดซึ่งก็ไปซ้ำกับอ ร, รมณะปัจจัยในข้อหนึ่งกับข้อสองนะคือปัญจารมอันใดอันหนึ่งนะเป็นปัจจัยแก่ปัญจวิญญาณและเจสิกที่ประกอบอย่างเช่นว่ารูป เป็นปัจจัยแก่จักสู่วิญญาณและเจตสิกที่ประกอบอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญจารมคืออารมณ์ทั้งห้าเป็นปัจจัยแก่มโน ต, ตรงนี้ก็ฟังยากนิดนึงแหละมะโนซึ่งเป็นจิตเชื่อมต่อระหว่างความนึกคิดหรือจะพูดอีกทีหน่คือเป็นความคิดปรุงแต่งเชื่อมต่อระหว่างการเห็นแท้ๆไปสู่การปรุงแต่งคือมโนวิญญาณ ที่ในปัจฐานเรียกว่ามโนธาตุเฉยๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะที่จะอธิบายก็คือว่าอารมณ์ที่เป็นปัจจัยกล่าวคือรูปอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ดจากสุวิญญาณเนี่ยเรียกว่าอารมณะปุเรชาติปัจจัยอย่างนี้นะมีความหมายในทางลึกอย่างไรนะฮะนี่จะพูดถึงในทางลึก เพราะถ้าเราพูดว่าอารมณปัจเจกเฉยอธิบายง่ายอธิบายไปทางประสบการณ์ที่เราเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปแล้วก็ไม่มีมักไม่มีข้อไขข้อง อ, อ, อะไรแต่ว่าพอใส่คําว่าอารมณะปุเรชาติเข้าไปพับเนี่ยมันเกิดมุมยากขึ้นมาตีต้องอธิบายตรงคำว่าปุเรชาติเนี่ยคือจิตกับอารมณ์เนี่ยจิต เกิดขึ้นเพราะมีอารมณ์เป็นปัจจัยอารมณ์ที่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตรู้ได้อารมณ์นั้นเป็นอรมมณะปัจจัยแก่จิตและอารมณ์เองเนี่ยมันมีทั้งอารมณ์ที่เกิดก่อนจิตและอารมณ์ที่เกิดหลังจิตก็มีใช่ไม่ใช่ไอความสัมพันธ์ในทางการรับรู้เนี่ยมันไม่เหมือนกับความสัมพันธ์อย่างการอาศัย เหมือนอย่างเราอาศัยท้องพ่อท้องแม่เงี้ยนะไอ้ยางงั้ น, ะ น, นมันต้องอาศัยพ่อแม่ที่ร่วมเวลากันแต่ว่าถ้าในทางการรับรู้เนี่ยเหมือนเราเรียนประวัติศาสตร์เราจะเรียนย้อนไปถึงบุคคลถึงพ่อแม่เรามีบุเพนิวาสารุสติยานนะแล้วเลอกย้อนไปพ่อแม่กี่ร้อยชาติก็ได้ใช่ไหมแล้วนีเรียกว่า กำลังระลึกถึงอารมณ์เก่าๆที่เกิดมาก่อนดับไปก่อนและอารมณ์ที่ยังไม่เกิดเกิดที่หลังเราก็สามารถจะระลึกไปสู่อนาคตเป็นอนาคตัางสยานได้ไม่จำกัดดีเหมือนกันและแต่ใครจะรู้ได้แค่ไหนด้วยวิธีใดเรียนประวัติศาสตร์เรียนศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับอนาคต ก็ได้หรือคนที่มีความคิดถึงอนาคตอย่างลึกซึ้งแยบยนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้จะเป็นคนเป็นเหตุการณ์เป็นจัดอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพ้การรับรู้มันถึงภพ่หน้าไพ่หลังได้ก็ตกลงว่าไอ้หลักตรงนี้นะ่ะยืนยันว่าอารมณ์เกิดก่อนจิตที่เข้าไปรู้ ก็มีเกิดหลังจิตก็มีเกิดร้องก็มีเวลาทำวิปัสสนาเขาให้รู้อารมณ์เกิดร้อม เ, อเกิดร่วงการกระจิตใช่ไหมไม่ให้รู้รไลหนาภัยหลังอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะรู้ในลักษณะของปัญญาแบบไหนแบบไหนแต่ในลักษณะของปัจจัยนี้นะพูดถึงเฉพาะอารมณ์ที่เกิดก่อนจิตแล้วผมยกตัวอย่างเป็นบางการณีให้เห็นชัดว่าคืออารมณ์อะไร เวลาหูได้ยินเสียงเวลาหูได้ยินเสียงนะท่านนึกกโดยดีหรือตาเห็นรูปก็ได้ถามว่าเราเห็นรูปจากสุวิญาณเห็นรูปเห็นรูกปาลมก่อนที่รูปปาลมกระทบตา อย่างคือรูปอารมณ์ยังไม่มากระทบตาเห็นได้หรือไม่ไม่ได้ก่อนที่เสียงกระทบหูได้ยินได้ไหมได้เป็นไปได้ไหมที่โสตวิญญาณจะมาเกิดรอคลา้ายๆกวางมือเรียกเสียงออกมาทั้งนี้ไอ้ตะแคงหูกะตะแคงได้แต่ว่าไปบังคับเสียงบังไม่ได้ใช่ไหมล่ะ จะได้ยินได้ต่อเมื่อเสียงกระทบหูจะเห็นได้ต่อเมื่อรูปกระทบตาจากสู่วิญญาณโสตวิญญาณไม่มีสิทธิ์ที่จะเกิดก่อนไม่ว่าโดยกรณีใดๆเมื่อเสียงยังไม่กระทบเอาล่ะทีนี้นี่เป็นเป็นข้อที่จริงง่ายๆคราวนี้พูดต่อไปว่า เสียงหรือรูปที่มากระทบตากระทบหูเนี่ยมันเป็นเสียงที่มาจากข้างนอกคือมามาจากนอกปราสาทหรือเกิดในปราสาทนอกปราสาทถึงแม้จะเสียงในตัวเราก็ถือว่านอกปราสาทมันไม่ได้อยู่ในปราสาทเดีกันเสียงมากือ น, นอกกันอกปราสาทอีนี้ไอเสียงเมื่อมันอยู่ที่อื่นเนี่ย แล้วมันเป็นฝ่ายโครจรมาที่เรียกว่าโคเป็นโครจระลูกเป็นลูกโครจรมาเนี่ยนะมันโครจรมาจากที่อื่นใช่ไหมคือที่อื่นคือไม่ใช่ที่ปรสาทเมื่อมันโครจรมาจากที่อื่นเนี่ยแปลว่าอารมณ์นั้นก่อนที่มันจะเดินทางมามันต้องเกิดขึ้นก่อนเชียวถูกไม่ถูก เกิดขึ้นก่อนแล้วก็เดินทางมาความจริงมันก็ไม่ได้รู้แล้วก็มันจะเดินทางไปไหนมันก็เดินทางไปตามเาตุาเหตุตามเหตุปัจจัยให้มันไปทางไห น, นก็ไปตามนั้นไปได้แค่ไห น, นก็ไปได้แค่นั้นไปด้วยอาศัยสิ่งใดเป็นสื่อเป็นตัวกลางก็ไปได้ด้วยสิ่งนั้นตามจังหวะเหมาะของเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้น เมื่อจักรสุวิญญาณเกิดก่อนไม่ได้จะเกิดเกาะเมื่อใดเมื่อเสียงกระทบหูเสียงเสียงยังไม่ตัวกําหนดให้โสตวิญญาณปรากฏและโสตวิญญาณก็ไม่ได้อยู่ที่หูอยู่ที่อื่นก็แปลว่าเสียงนั้นต้องเกิดที่อื่นจุดตั้งต้นเกิดเกิดแล้วก็สืบต่อมาเข้าหูเมื่อสืบต่อมาได้ครึ่งทางเนี่ยถามว่าจาักรสุวิญญาณเกิดยัง อย่างโสดาวิญญาณก็ยังไม่เกิดแม้ว่าจะเหลือระยะทางอีกแค่สักหนึ่งเซนติเมตรยังไม่กระทบหูเนี่ยนะโสดาวิญญาณก็ยังเกิดไม่ได้ต้องกระทบหูนี่เมื่อมันมากระทบหูเนี่ยแปลว่ามันเสียเวลาเสียอายุผลาวงการผ่านวัยมาแล้วความจริงมากน้อยไม่เท่ากันในรายละเอียดนะ ก็แล้วว่าถ้าไกลก็เสียเวลามากไกลก็เสียเวลาน้อยเหมือนแสงมาเข้าตาเรานะนะไกลก็เสียเวลาน้อยไกลก็เสียเวลามากเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เรื่องวิธีจีนถึงอธิบายได้เป็นพิสดารว่าบางทีเนี่ยครับไอ้เสียงเรือลมบางอย่างเนี่ยพอมาใกล้หูก็ดับหมดอายุเหมือนกระสุนนะตกวูบพอดีไปไม่ถึงเป้าหมาย บางทีก็มาได้ครึ่งทางบุกเช่งนี้นะแต่กรณีที่ถึงถ้าถึงประสาทอย่างรวดเร็วและยังมีอายุเหลือเยอะเนี่ยถือว่ามีอารมณ์ที่มีความรุนแรงสูงนะฮะก็จะเป็นปัจจัยแก่จากสุวิ ญ, ญาณได้ได้มากที่เรียกว่าได้ยินเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะได้ยินเต็มหูและความรู้สึกนึกคิดใดๆที่จะพึงเกิดขึ้นหลังจากได้ยิน ก็ยอมจะชัดเจนสดใสเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามกำลังของอารมณ์ไปด้วยเราถึงมีเรียกในภาษาอิถธิจิตว่าอติมหันตาลมอารมณ์ที่มีอายุเหลือมากทำให้เกิดความรู้สึกเกิดบาปเกิดบุญที่รุนแรงเกิดความกำหนดจดจาได้ง่ายได้ชัดมหันตาลมอารมณ์ที่มีอายุเหลือมากแต่ไม่มากที่สุดก็ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิด ได้แค่นั้นปริตตารมอารมณ์ที่มีอายุถึงประสาทน้อยแล้วก็มีอะติปริตตารมอารมณ์ที่มีอายุเหลือถึงประสาทน้อยที่สุดม่มีผลต่อบุญบาปความรู้สึกนึกคิดน้อยที่สุดและโมคาลรมโมคาลรมณ์แปลว่าอะไรอารมณ์ที่เดินทางไม่ถึงประสาดับไปก่อนนี่นะก็ไม่เป็นโมคาไปอารมณ์เป็นโมคะ เพราะนั้นเราเนี่ยครับอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่แตงอารมณ์รอบตัวใช่ไหมใช่เสียง er นี่กห็หูไม่พอเปะ่าแค่สองหูเนี่ยแล้วจะฟังทีเดียวสองหูก็ไม่ได้นยต้องฟังทีละหูเพราะว่าไอ้เครื่องฟังคือจิตเรามันมีทำงานได้ดีละหนึ่งก็เลยทำให้เราเนี่ยไปอยู่ในที่จอกจักจอกแต่มันรับได้ดีละอารมณ์ แล้วเราจะรับอารมณ์ไหนนี่เหตุปัจจัยเป็นตัวสั่งเลือกเนี่ยอธิบายได้ไ ด, ด้วยนะว่ามันเพราะอะไรบางอย่างเนี่ยเราเลือกจะไม่ฟังก็ต้องฟังเออใครมันเลือกแทนเราก็ไม่รู้นะบังคับเราบางอย่างไม่อยากคิดก็ต้องคิดเนใครบังคับแทนเราไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนหรอกสิ่งที่เราสะสมไว้นะักเวรกรรมบางอะไรบางนะอธิบายได้เยอะเลยกร ะ, กระบวนการเหตุ ป, ปัจจัยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้อย่างเนี้ย เราเราก็พอจะมีช่องบริหารนะเท่าที่เป็นไปได้บริหารไอ้บริหารนีร่ก็ไม่ใช่กิรกายแล้วครับคือสร้างกระแสะหเหตุปัจจัยเขาเรียกว่าปัจจัยปฏิปักษปฏิปักษปัจจัยเนี่ยเข้ามาให้มากให้แรงพอแก่การฝืนเหตุปัจจัยอื่นอภูตศาสนาไม่ถือว่าเป็นการบังคับนะเพราะถ้าบังคับแล้วมันต้องเป็นไปได้ตามใจเราทุกอย่าง แต่ที่เราพอทำได้เพราะว่าเราเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะทำเหตุเพราะเรามีเหตุปัจจัยจะทำได้ใช่ไหมมีสิทธิ์ที่จะบริหารมันได้ความพยายามจึงมีผลในแง่ว่ามีผลไม่ใช่บังคับแต่มีผลในแง่ของการบริหารเหตุปัจจัยที่มันมีอยู่นักบริหารก็ไม่ใช่นักสั่งซักสร้างใช่ไหมมันเป็นแต่เพียงว่ามีฝีมือในทางการ วางหมักของเหตุปัจจัยท่านเองว่าไอ้คนแบบไหนจะใช้ยังไงจะขอยังไงอะไรพวก น, นี้ยก็นี่เขาก็มีมีความสามารถในทางบริหารเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นมองไปในแง่หนึ่งมันก็ดีถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเกิดไปนั่งที่ไหนก็เสียงร้อยเสียงก็ได้ยินร้อยเสียงเอาไหมลูกร้อยลูกก็ได้ยินร้อยเห็นร้อยลูกเอาไหม หันไปทางข้างบนก็เห็นรอบทิศข้างล่างก็เห็นนี่ยังกะตาเ <c oughs> มงวันพราะว่าอยู่อยู่ไม่ได้แล้วครับนอนไม่เป็นอันนอนแน่ตาลืมลงเลยยิ่ ง, ง ก, กินยามากแต่นี่มันก็เพียงอารมณ์รอบตัวสิ่งที่เรารูโหยสารพัดเรื่องแต่ว่าใจเราเนี่ยมัน สร้างขอบเขตจำกัดได้นะอ่อมันเกิดกี่ละหนึ่งแล้วก็จะรับอะไรยังไงเนี่ยมันบังคับเราก็ยังไม่วายบ้าไม่วายอย่างงูยอยางนี้นะฮะเออนี่ก็ธรรมชาตาิก็เกิดกูลเราพอสมควรนล้วก็ยังหาเรื่องเข้าตัวอยู่จนได้แหละตรงนี้แหละครับที่ผมพูดว่าเสียงรูปมันเกิดที่อื่น แล้วก็โครจรมาที่ปราสาทเสียงและรูปไม่ได้รู้ว่าไปทางไหนไม่ได้ตั้งใจจะไปไหนใช่ไหมฮะอะ่อันนี้เดี๋ยวค่อยๆว่ามันเป็นเหตุปัจจัยซ้ำซ้อนกันอยู่พูดตรงนี้สักก่อนว่านี่คืออารมณ์เกิดก่อนใช่ไหม แต่ไม่ดับไปก่อนเพราะถ้าดับไปก่อนแล้วเห็นไม่ได้จักรูปยางเกิดไม่ได้เกิดก่อนแล้วมาถึงประสาทแล้วก็ยังมีอายุค้างอยู่ที่ประสาทพอที่จะให้ตาเห็นรูปนั้นแล้วก็จะดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่ว่ากันเห็นแล้วก็เป็นอ้นว่าได้เห็นแล้ว แล้วก็จะจะเราจะพบข้อเดียงหนึ่งว่าไอ้รูปลาลมสมมติว่ามันมีสิบเจดขนาดจิตทัองกันเนี่ยนะมันเสียเปล่าไปทัครึ่งหนึ่งตีลทว่าเก้าขนาดเก้าวีา น, าวนะเก้าคือ เ, เสียอายุเสียช่วงชีวิตของมันเองเปล่าเปล่าไปเนี่ยเปล่าเปล่าไปจากการรับรู้ครึ่งหนึ่งมากระทบประสาทขนาดที่เก้าแปลว่า มันมีอายุที่เป็นประโยชน์แก่การรับรู้ถึงประาสาทครึ่งหนึ่งทีนี้ไอ้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเวลาจากสุวิญญาณเห็นมันไม่ได้เห็นทั้งครึ่งหรอกครับมันเห็นแค่ขณะใขดขณะหนึ่งเท่าที่เหลืออยู่ในในที่เหลืออยู่สมมติว่าว่าแปดเนี่ยนะมันเห็นจุดใดจุดหนึ่ง เพราะเพราะอะไรถึงเห็นแค่จุดใดจุดหนึ่งเพราะว่าจากสุวิญญาณน้อก็มีอายุแค่จุดใดจุดหนึ่งมันก็เห็นแค่นั้นก็จึงได้ความว่ารูปาลมสิบเจ็ดขนาดจิตเนี่ยเราเห็นได้แค่หนึ่งในสิบเจ็ดที่เหลือนอกนั้นศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าไปจากการรับรู้ใช่ไหมฮะ แต่เวลามันเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเนี่ยมันขยายเต็มนะขยายเกินเดี๋ยวกับใช่ไหมขยายเกินไปขยายไปถึงไอ้ที่มันไม่รู้ยหนุยเนโค้งเงาเหล่ากอไปขุดมาหมดใช่ไหมไปสืบมาหมดเอามาตั้งค้อลังเกียจอย่างงูอย่างนี้หรือตั้งข้อจะชอบใจยึดติดไม่หมดเลยอ่ะครับจริงไม่จริง เพราะนั้นเวลาก็ททำวิปัสสนาก็ถึงให้ให้กำหนดดูเฉพาะปัจจุบันไอ้ที่มันเป็นของจริงๆอะแล้วก็อย่าให้ความคิดเนี่ยปรุงแต่งมันไปขยายตัวแบบไม่ไม่ชอบมาปากล น, นี่คืออารมณะปุเรชาตปัจจัยนะอารมณะปุเรชาตะปัจปปจัย ทุกสิ่งทุกอย่างมีการสูญเปล่ามากกว่าที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างเลยสภาวะธรรมก็คล้ายๆอย่างนี้ผลของกรรมที่เราได้ก็คล้ายๆอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองพูดให้เป็นข้อตะกี้ตรงนี้หน่อยหนึ่งลงไปด้วยว่าอะไรๆเนี่ยมันสูญเปล่ามากกว่านะเราก็นึกดูว่าเออเรา ไปจับปลาได้มาตัวเวลา ซ, ซ, ซื้อซื้อทั้งกระดูกทั้งไหล่ช่างกิโลหมดน้ไม่หักออกหรอกซื้อทุเรียนมันก็ช่างหมดเปลือกเปลือกบางที่เนื้อเนื้อน้ําหนักน้อยกว่าไอท้ทีมันไม่เป็นประโยชน์ ด, ด้วยตามแต่เขาคิดหมดคิดรวมไปหมดเลยเม็ดมดก็ไม่ออกแต่ว่าเวลาไส่วนที่เราได้ประโยชน์เนี่ยมันแค่บางจุดเท่านั้นเองใช่ไหมที่เหลือเ่านั้น ไม่ได้ประโยชน์ต้นไม้ก็ไม่ได้ประโยชน์ทั้งต้นอะไรอะไรที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยเราลองคิดดูว่าไอเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเนี่ยบางทีจะกลับจะได้ประโยชน์น้อยนะประโยชน์สังใช้ส้อ ย, อยพวกแหมอย่างนี้ไองานใหญ่ๆที่เหมาะควรแก่การที่จะใส่เครื่องประดับชุดนี้อย่างนี้นะ่ะ ปีังมีไม่กี่โหนหรือชีวิตหนึ่งมีไม่กี่หนนะนะมันก็เลยยิ่งมีค่ามากเมื่อมีประโยชน์น้อยอย่างเงี้ย น, นะเลยกลายเป็นอย่างนั้นอาทีนี้ผมมาพูดถึงว่าไอก้กระแสสภาวธรรมอย่างเรื่องของกรรมรูปลาลมเมื่อกี้พูดเราจะย้อนไปต่อเชื่อมในในเชิงเหตุผลเชิงกรรมกาลังจะชี้ถึงไอ้กระแสปัจจัยด้านอื่นว่ า, ารูปลาลมที่มันมาเข้าตาเลยเนี่ย มันไม่ได้มาคิดว่าเลยเราจะไปแก้แค้นเราจะไปสนองผลสนองบุญสนองกุศลให้กับเขาไม่มีใช่ไหมแล้วทำไมถ้าเราพูดถึงเสียงถึงรูปเนี่ยมันก็ดูธรรมดาไปพูดให้มันชัดว่าทำไมไอ้หอกที่พุ่งมาเนี่ยมันทำไมถึงมาโดนไอ้คนนี้เขานี่เป็นโพลอภาหลบเข้ามาทางกาย นะหรือทําไมไอ้ไอ้ของมีค่าถึงปลิวถึงหล่นลงมาตกในที่ของคนนี้เข้าในบ้านเดือนของคนนี้เข้ามันเพราะอะไรถามว่าขอกนะ่้มันคิดแล้วว่าไปทางนี้ไปทางนี้ไอ้อะไรต่างๆที่เป็นของหน้าพอใจมันคิดโล้ไปทางนี้ไปทางนี้มันไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้มีใครคิดแทนหรืออาจจะมีคนคิดแทนนะั่นก็เป็นอีกกรณีปีกประเด็นหนึ่งอีกนะ อะไรมันเหมือนอย่างอย่างพระขอโทษนะพร ะ, ะท่านดูหมอด้วยวิธีให้คนไปเด็ดใบไม้นะแถววิศวิษณนั่ก็มีหรือด้วยวิธีอื่นก็ได้เอนี่ผมไม่ได้มาพูดที่จะบอกพัรนาตะบคุณดูหมอดูหมอแต่อธิบายเป็นเชิงกรรมนะหรือให้ ถ้าไม่ไม่จะอให้แม้แต่คนมาหยิบมาฉวยอะไรเนี่ยนะขนาดคน ไ, ไปที่บ้านผมแล้วก็บังเอิผมลื้อนังสืออยู่จัดนังสือเข้าตู้นี่แล้วยังมองให้คนจัดได้เลยครับว่าเออคนนี้เป็นอย่างนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษไม่ได้เจตนาว่าเฮ่ทำไมคนนี้ เดี๋ยวก็พูดถ้าใครเคยไปใครเคยทำมันจะหาวผมมาตอบว่าแต่บังเอิญที่พูดถึงนี้ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องนี้กันแล้วกันไปอบางบางคนเขเขาเาเขาเรียบร้อยเ็าจัดนะฮะเออไอ้บางคน บ, บางคนเขาก็เอ๊ะทำไมหัวพี่ลุยอยู่หัวพวกมืตดีร่างกาย เออทำไมจึงเป็นไอ้รายละเอียดมันเป็นอย่างนี้อย่างเรก็เราเห็นปับ๊บเราก็แวะบ อ, อกมาตามภาษาเราแต่ไม่ได้เคยบอกว่าหลัอไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันหมายความว่ า, าไงเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอย่างกรณีที่ว่า อ, อ่พระท่านให้ไปเด็ดใบไม้ไปเด็ดมันเนี่ยแล้วก็ท่านก็ดูใบไม้ว่าคนนี้เด็ดกี่ใบแต่ละใบเป็นยังไง แล้วก็สภาพใบไปไงแล้วมันสะท้อนมาถึงคนคนนั้นได้ยังไงนะเรื่องนี้นะฮะท่านไม่ได้พูดทางกรรมแต่ว่าเราอธิบายประสานกับระบบของกรรมอธิบายในเหตุผลในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ไปผูกพันในเชิงหมอดูพอพูดถึงหมอดูแล้วเราก็เลือกไอเอาเรื่องอื่นมาปนกับเรื่องพระพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคือคนเราได้อะไรเลือกอะไรยกตัวอย่างเลือกคู่เนี่ย มันอธิบายกรรมคนไหมหรือเลือกว่าจะไปฟังธรรมะเรื่องนี้ฟังแล้วชอบและคำว่าเลือกนี่บางทีก็เลือกเจตนาเลือกบางทีก็จะพัดจะผูกลมเพลมพัดไปหยิบไปอะไรมาโดยที่ตัวเองไม่ได้เลือกนะฮะเลือกอย่างได้อย่างหรือตัวเองไม่ได้เลือกคนอื่นเลือกแล้วก็ไม่มีใครเลือก มันก็เกิดกรรมมันเลือกให้ทั้ง<ร>เองโดยเต็มที่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้น่ะคู่อยู่เบื้องหลังในการได้สิ่งนั้นในเวลานั้นคือกรรมของเขาคือกรรมของเขาและมันไม่ใช่แค่ไวของนั้นเป็นอย่างที่แค่เห็นมันมีอะไรล้ําลึกอยู่ในสิ่งนั้น แม้แต่รอยไม้รอยมือลอยหยิบลอยหยิกรอยก่วนอะไรต่างนั้นเลยซึ่งมันเป็นส่วนที่เป็นผลสะท้อนของตรรมที่ออกมาเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เราจะเข้าใจได้ยกตัวอย่างได้ชัดในส่วนหยับหยาบนะคือเลวก็เล็วอย่างหยับหยาบเนี่ยพอเห็นกรรมชัดหน่อยนะดีก็ดีอย่างหยับหยาบหยับยาบออมาก็ว่า เห็นได้ง่ายรุนแรงนะฮะก็เห็นกรรมชัดหน่อยแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยเขาไม่ได้พูดแค่ห ย, บยาบๆนะแม้แต่อารมณ์ที่เรารู้ครั้งหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันไอความเหมาะเจาะที่เกิดขึ้นแม้ไม่มีใครนึกในใจว่าอย่างไรแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นจังหวะของกรรมบางอย่างก็ ไอ้ไอ้เหตุปัจจัยมันแวดล้อมบังคับให้กรรมได้ช่องออกมานะไอ้บางอย่างเนี่ยกรรมมันแรงมันก็ชักนําไปสู่สิ่งแวดล้อมมันมีสองกรณีครับมีเป็นสองกรณีด้วยกันแต่แต่กรรมหนักกรรมเบาฉึงบอกว่าสถานการณ์บางอย่างเราสร้างขึ้นเนี่ยสร้างเพื่อเปิดช่องกรรมสร้างเพื่อปิดช่องกรรมได้ทั้งสองอย่างนะบางอย่างเนี่ยความพยายามของเราความพยายามบนพื้นฐาน ของเหตุปัจจัยส่วนบวกของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบดบังบิดเบนพลังของกรรมในกรณีนั้นตอนนั้นได้เรารู้เรื่องนี้้เราก็เลยดูดูกรรมเป็นลายไม่ใช่เฉพาะลายวันนะลายขนะหลายเหตุการณ์เชื่อไหมครับว่าบางวันนี่แม้ าการเดินทางคมนาคมมันคล่องนะฮะยังก็โกหกนะขึ้นรถเมล์คนลงรถนี้ไอรถนู้นมาพอดีอไรเงี้ยนะพอจะเรียกแท็กซี่อะโปรมามาพอดีอะไรเงี้ยไปพอดีเนี่ยแหมมันคล่องอยากยี้เป็นยี้ทุกวันไอที่ที่จ้องเตรียมกันไว้ล่วงหน้าจะ nichts. ต้ง mm hmm. องติดอ่านแล้วเออไม่ติดอะไรเงี้ยนะแต่บางวันเนี่ยครับมันติดขัด แท็กซี่มาห้าคันเรียกมันไม่เห็นเราสักคันนะเนี่ยยังก็ยังอุตส่ามีรถเมย์เรียกแล้วไม่จอดมาอันไหน ไ, ไอไอรถนี่มาบังซะนี่อะไรอยเี้เลยไม่เห็นมันติดขัดตลอดเลยบางครั้งเนี่เออเราก็นึกเออนี่น่ะกรรมกรรมเกี่ยวกวับเรื่องการกรรมนาคมเรื่องความสะดวกในเขามาให้ผลดีว่าเขาให้ผลโฉบเป็นครั้งเป็นหนนะ ไม่ใช่อย่างบางคนเนี่ยให้ตลอดเรื่องเรื่องรดเรื่องลาเรื่องคนาคมนี่พยายามเองไม่ได้ครับต้องมีลูกกันคือต้องพึ่งบุญคนอื่นเขาอะนะไม่อย่างนั้นแล้วตัวเองมีอุปสรรคก็อย่างผมยกตัวอย่างอย่างพระองค์ชื่อบางท่านก็นจะรู้จักมีกรรมเรื่องรถจริงๆเช่นว่าเรียกแท็กซี่เนี่ยจะต้องเสียหายโดนมันหลอกโดนสารพัดเลยครับ บางทีก็ได้รถไม่ดีผมก็เลยนึกโอ้แมครั้งหนึ่งเนี่ยนะไปกับท่านเนี่ยเลยนึกโอ้ถ้าจะบุญเราคงไม่พอจะคุ้มท่านก็เลยตกอยู่ปลายใต้อำนาจของท่านนั่งรถเนี่ยครับโอ้โหไปเจอไอ้รถที่ประตูไม่มีฝนตกเปียกซกไปทั้งพละทั้งโยมเลยอ๋อเลยนึกว่า อาจะเดินทางในเหตุการณ์สำคัญเนี่ยต้องไม่ครบกับเราองค์นี้พระบุญเราไม่พอจะดูแลท่านนะฮะฉะนั้นทุกครั้งเลยครับเรื่องเรื่องการการเดินทางเนี่ยโดยเฉพาะบอกการแท็กซี่เนี่ยไม่ถูกกันเลยไม่ถูกกันเลยเล่าเป็นเป็นหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทั้งชวนตลกกบขนันชวน ส่วนระลดใจอะนะช่างชวนงสารแหมกาเจ้าไม่เวนมันเรื่องเวนกรรมไม่รู้ไปทำอะไรไว้ก็เป็นกรรมที่แต่ละคนเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีเป็นประจำเป็นประจำชีวิตถ้าเป็นประจำดีก็ดีไปเป็นประจำในลักษณะไม่ดีก็น่ากลัวหน่อยนั่นก็เป็นเรื่อง ความซับซ้อนของกระแสปัจจัยนะฮะความซับซ้อนของกระแสปัจจัย mm hmm. เพราะว่าสมมติอารมณปัจจัยเนี่ยมันมีอยู่เป็นหลักฐานเป็นฐานอยู่ไอ้กรรมมันก็เข้ามาิงจับปัจจัยอื่นเนไะงอาศัยเป็นที่แสดงผลกรรมปัจจัยอื่นๆมีอยู่กรรมมันก็เข้าไปจับอย่างอารมณปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้อง อ่าเป็นไปด้วยพลังของกรรมไปเสมอไปอ่าแต่ว่าอย่างเราๆในส่วนใหญ่ก็เป็นแต่ความเป็นอารมณ์ปัจจัยนะั้นเป็นตัวมีโดยความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วก็อย่างอื่นก็เข้ามาเกาะนะปัจจัยอื่นก็เข้ามาเกาะเกาะกันไปเกาะกันมาเป็นสภาข้าปัจจัยคราวนี้พูดถึงปัจฉาช ปุเรชาตาปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าในในส่วนที่ข้อสิบสองนะฮะว่าซ้ำกับนิสยาปัจจัยคืออาทยาวัตถุอันนี้ก็หมายถึงอาทยาวัตถุที่เป็นที่อาศัยของดวงวิญญาณโดยปกติทั่วไปนะก็ยิงอาศัยกันอยู่อย่างนี้คล้ายๆประสาท ต, ตาเป็นต้น มาถึงข้อสิบสามเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษคือหาไทรูปในประวัติการคือหลังจากเกิดนะการหลังจากเกิดปฏิการเนแปลว่าการเป็นไปปฏิสนธิการการเกิดเพราะปฏิการการหลังเกิดคือแต่ตามตับแปลว่าเป็นไปก็คือหลังเกิดเป็นไปหลังเกิด เป็นปุเรชาตะปุเรชาตานิสยะแก่มโนวิญ ญ, ญาณและเจตสิกได้ไม่เป็นในปฏิสนธิขนาดเพราะว่าในปฏิสนธิขนาดเนี่ยเราย้อนกลับไปถึงตรงนั้นว่าปฏิสนธิวิญญาณที่หยางลงกะละละรูปเล็กเป็นที่อาศัยของวิญญาณทันทีใช่ไหม ถามว่ากาละละรูปเล็กๆกับปฏิสนธิวิญญาณเกิดพร้อมกันหรือเกิดก่อนกันพร้อมกันใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ากาละละเกิดมาก่อนแล้ววิญญาณมาใสยทีหลังไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้มีมาก่อนมันมีมาก่อนแต่มีมาก่อนอย่างไม่ใช่เป็นอัตภาพสัตว์ที่มาเป็นอัตภาพสัตว์ เป็นต่อเมื่อวิญญาณอย่างลงกรรมเข้าไปยึดครองจึงเป็นอัตภาพสัตว์ตอนนั้นถือว่าเกิดพร้อมแต่เมื่อเกิดพร้อมกันในตอนนั้นอัตภาพยังไม่เคยมีมาก่อนเป็นภาวะจําเป็นต้องอาศัยปิญญาณก็อาศัยสถิตไปอย่างไม่พร้อมเพราะฉะนั้นสภาพของเราตอนอยู่ในคันมันดาเนี่ยจึงเป็นสภาพอ่อนแอฮนะตอนยิ่งตอนบริสนทธิที่อ่อนแอ เพราะอะไรเพราะความไม่พร้อมของอัตภาพซึ่งเป็นที่อาศัยของจิตวิญญาณอย่างอ่อนแออยู่ความอ่อนแอจึงปรากฏ <c oughs> และคาว่าอ่อนแอเนี่ยท่านมีบทอธิบายได้ว่าอ่อนแออย่างไรซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียดนะจะอยู่ในบริเจตที่หกนะนี่คือปุเรชาติปัจจัย เะนั้นเป็นเรื่องอความยากมาอยู่ที่คำว่าปุเรชาตาิปุเรชาตาิและเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยขอใหอ้ท่านที่ถ้าลงรายละเอียดอย่างที่พูดไม่ได้ก็ให้นึกแต่เพียงว่าเกิดก่อนในความหมายเชิงเทียบเคียงไปก่อนก็นแล้วกันนะก็นับว่าเพียงพอแล้วถ้าเข้าใจได้ลึกลงไปอีกหน่อยก็ให้นึกถึงสภาวธรรมไกลที่ละเอียด ก็ให้นึกถึงในแง่ของความละเอียดเท่าที่จะเป็นไปได้เอาละมาถึงปัจฉาชาตาปัจจัยเนี่เป็นปัจจัยที่สิบเอ็ดปัจฉาชาตาแปลว่าเกิดหลังอะไรเกิดหลังตอบว่าตัวเหตุหรือตัวปัจจัยเกิดหลังปัจจยุบันตัวเหตุเกิดหลังผลเมื่อกี้ในเหตุเกิดก่อนผล เหตุเกิดมาก่อนผลแต่ต่อไปนี้สิบเอ็ดเนี่ยเหตุเกิดหลังผลก็อ่านข้อความในนี้ว่าปัจจาชาตาปัจจัยปัจจัยคือความเกิดภายหลังความเกิดภายหลังเป็นปัจจัยหรือทมที่มีความเกิดภายหลังเป็นปัจจัย อธิบายว่าจิตและเจตสิกที่เกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่รูปนี้ที่เกิดก่อนได้แก่จิตเจตสิกที่เกิดขึ้นภายหลังอไอลูกศรเนี่ยแปลว่าเป็นปัจจัยนะคือจากเหตุนาไปสู่ผลที่จิตเจตสิกที่เกิดภายหลัง เป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิดขึ้นก่อนจากกรรมจิตอุตูและอาหารก็คือร่างกายแล้วเนี่ยมันเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตูอาหารทำให้เป็นไปที่นี้ถ้าเราว่าถึงอย่างเป็นกรณีอย่างห ย, ยาบๆก่อนเนี่ยนะว่าไอ้ร่างกายของเราที่เราได้มาแล้วเกิดขึ้นแล้ว อพูดถึงอย่างเกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ดวงจิตของเราที่เกิดขึ้นในภายหลังตอนหลังเนี่ยเกิดเช่นว่าอตอนหลังเราใจบุญอะจะเป็นบุญขั้นทานขัน้นศีลขั้นภาวนาแล้วก็เป็นบุญอย่างแรงด้วยก็ดีหรือใจเราเปลี่ยนจากเด็กมาก่อนก็ไม่รู้ว่าบุญบาปชัดเจนนะตอนหลังก็เกิดมาเปลี่ยนเป็นคนใจบาป คาสาติตชีวิตโมโหโรตาชีบนจูคเจ้าจูจีเอาลัดเอาเปรียบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะไอความรู้สึกชั้นหลังๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเข้าไปอุดหนุนรูปที่มีมาก่อนให้มีสภาพคงอยู่อย่างที่มันก็ ได้ไอ้ปัจจัยตัวนี้นะมันมันมันมั น, ม น, มนลึกกวา่าการบังคับแบบดื้อๆนี่นะสักหน่อยแต่ว่าเรายกตัวยอย่างเป็นอย่างเป็นกรณีพอเข้าใจได้ก่อนตรงนี้ว่าเราเองเนี่ยถ้าร่างร่างกายเราไม่มีจิตเป็นตัวหนุนเลี้ยงอยู่นะฮะมันก็อยู่ไม่ได้แม้ไม่ตายนะ อ่าอย่างสมมติว่าเราปีร่างกายแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้อิริยาบทหรือไม่มีจิตไม่มีจิตไอ้อย่างเราเนี่ยเราต้องขับเคลื่อนอิริยาบทนะฮะถ้าเราน อ, นอนอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็เน่าเดี๋ยวก็ไอ้ร่างกายตัวนั้นตัวนี้กัดก้องเดี๋ยวก็อวัยวะตรงนั้นรีบตรงนั้นเล็กใช่ไหมฮะมีปากมีลิ้นมีตาเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้สอยเนี่ยมันเกิดอาการ เสียหายนะแม้ไม่ตายไอ้ที่ไม่ตายเพราะไอ้เหตุปัจจัยอื่นมันเลี้ยงไว้แต่การที่เราบริหารใช้คือจิตมันเข้าไปสั่งไปอบริหารโดยอัตโนมัติเนี่ยมันทําให้ร่างกายอยู่ได้จิตหลังๆที่เกิดหลังๆที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยทําให้ร่างกายอยู่ได้ในความหมายที่พอจะเข้าใจกันตรงนี้ทีนี้มันมี ไอ้ในส่วนลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยก็คือ อ, อย่างว่าเมื่อเมื่อชชตานี้เราก็<ๆ>ก็<ๆ>คุยกันคุณลกคุณก็บอกเออถ้าเราไปนั่งทำงาฐานสักแต่ว่านั่งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าชวนจะทำให้ร่างกายอ่อนแอเดียวก็เป็นโรคไอไขข้อยังอย่างนี้ไอ น, น้ปูนจับนน่นจับนี่ผมก็บอกว่าไอความจริงเวลาคนทำเนี่ย มันเหมือนแม้ว่าไม่ได้สั่งให้เดินให้ยืนให้โฮคเมนตีลังกาหรือออกกำลังก็จริงนะแต่มันมีไอการบริหารกายอีกแบบหนึ่งซึ่งผมรู้สึกได้รู้สึกว่านั่นเป็นการบริหารในลักษณะที่เทียบเหมือนกับอย่างคงจีนง้ามีไอการเดินลมปราณ น, นะ แต่ของของวิธีทางทางพุทธอันเนี้ยมันยิ่งกว่าวิดีเลนเ่นลมปราณบ้างเลยเพราะจิตของเรายิ่งสะอาดเท่าไหร่เนี่ยครับเมื่อเรากําหนดรู้ความรู้สึกหรือกําหนดรู้นามรู้ลูกไปที่อวัยวะส่วนไหนเนี่ยมันเกิดการก่ออุปการะแก่รูปทาให้เกิดความกระชุ่มกระชวยเข้มแข็ ง, แ, ขงแม่นั่งอยู่เฉยๆเราจึงไม่พบว่าคนนั่งกรรมาฐานแล้วจะกลายเป็น เป็นอมาพลึกอมาพาดอะครับพราะนั่งกรรมาฐานช่วยหาตัวอย่างไหมผมดีนะครับผมก็ถามจังว่ามีใครบ้างผมจะได้ยังยังมือไว้มั้งมันมีที่เจอนะมีแต่ว่าคนเป็นอมาพลึกแล้วไปนั่งกรรมาฐานเจนหายไปเพราะอะไรอันนี้เราจับเราจับหลักได้ประจักษ์กับตัวเราเองวะ การที่เรากําหนดรู้อวัยวะใหญ่น้อยอะไรๆในตัวเราด้วยจิตเป็นกุศลเนี่ยมันเกิดไอ้พลังเข้าไปโอบอุ้มนะเกิดพลังโอบอุ้มโดยแม้เราจะไม่นึกว่าขอให้มันเป็นยังไงยังไงแต่ไอ้ความคิดที่เป็นกุศลจิตมันทําให้เป็นโดยอัตโนมัติมันเหมือนกับเรายิ้มเนี่ยเรานึกว่าเออจะขอยิ้มไม่นาาแจ่มชื่นหน่อย หน้าจงแค้มขึ้นเพราะร้อยยิ้มร้อยที่ไม่ไม่ต้องคิดหรอกครับมันจะทําให้เกิดกันและคนที่ยิ้มด้วยเมตตากับยิ้มในลักษณะจะเรียกลูกค้าเขาร้านเนี่ยเหมือนกันนะ ม, มันมีผลต่อไอราศีบนไปหน้าต่อไอระบบสุขภาพทางใบหน้าต่อระบบบุคลิกเหมือนไม่เหมือนกันใช่ไหมไอผลระยะหล่ะต่อไปก็ไม่เหมือนกัน ผลที่ได้จะคิดในเรืองบริหารรางการไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งเนี่ยพอจิตสงบเนี่ยจิตนึกไปถึงอวัยวะส่วนไหนเนี่ยมันก่อให้เกิดพลังขึ้นมาพลังชุบเลี้ยงเ อ, อิบอิ่มแก่อวัยวะส่วนนั้นขึ้นมาทันทีกำหนดที่กระสมอง หรือกำหนดที่ไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจึงมีหลักว่าสิ่งใดที่ใดที่สติเข้าไปกำหนดรู้อวัยวะใดที่สติเราเข้าไปกำหนดรู้หรือเข้าไปจับนึกอยู่ด้วยสติจะเกิดพลังทางผลประโยชน์พลังทางเกือ้อกูลแก่อวัยวะส่วนนั้นขึ้นมาในหลายๆ ล, ลักษณะเลยที่ดี นีพูดถึงข้างในแล้วเราก็เลยขยายไปถึงข้างนอกโดยว่าคนที่ทําอะไรด้วยสติเช่นว่าอบริโภคอาหารที่คนอื่นเขาเขาถวายมาด้วยสติมีผลดีอาหารที่คนกินด้วยสติมีพลังเพิ่มพวกปลากระมังฐานที่เคร่งเคร่งตรงนี้ท่านท่านพูดคานี้ถึงกินให้เป็นยาอย่างได้นะะมันมีอะไรบางอย่างที่ ที่เพิ่มอาจารย์มั่นเบอกว่าเออที่กระดูกพระสายท่านเป็นเป็นธาตุเนี่ยก็เพราะว่าเวลาฉันฉันด้วยสติทำให้อาหารนั้นบริสุทธินะ์่ะท่านพูดงี้นะออย่างนี้เราเราเองเราเราไม่ยังไม่เห็นเองด้วยข้อความชัดเจนอันนี้แต่ว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่ท่านเห็นเอง เราไม่เคยนึกมาก่อนนะฮะกเ็เลยกินกันแบบเป็นยาเลยกินกันแบบทำให้อาหารนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา เ, เราไปรับประทานอาหารเหลือจากท่านนึงรู้สึกประศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยอย่างเงี้ยบางทีก็ให้ท่านเป่าท่านปลกท่านเสกใหก้ก็ยิ่งดีขึ้นนะะก็แล้วแต่ใครจะเอาไปใช้เพื่ออะไรใน ความนับถือความศักดิ์สิทิตรงนี้และอะไรที่เราสมมติเราทําด้วยสติด้วยจิตเป็นกุศลเนี่ยอย่างรสมมติรถเนี่ยเราคนขับเนี่ยบางคนกโอ้ยรถเสียง่ายใช่ไหมถ้าใครมีคนขับรถเอามาทํากรรมฐานเอามาฝึกจิตให้ดีรถเสียยากถ้าหากว่าอคนมาขับรถเราเป็นคนมีความสามารถทางจิตทางตาบาสูงทีเกิด อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขึ้นกับรถนั้นเลยนะนะแต่บางเอิญพระท่านมาขัาบสิกันนะแล้วก็เลยบอกเอ้าวแค่ว่าบอได้รถใหม่มาก็ไปให้พระเจิมก็คือก้นเจิมให้พระมานั่งนะรี่พระท่านบางทีท่านท่านก็เมตตานั่งและท่านไม่นั่งเฉยฮนะก็นั่งเฉยแหละแต่ใจไม่เฉยท่านก็แผ่อธิษฐานในหะ้เออขอให้รถกันเนี้ยนะเมื่อเขาได้มีกุศลเจตนากุศลจิต ให้เป็นทานแก่สมณะจีบรามก็เป็นกุศลเป็นเครื่องรองรับการอธิษฐานของท่านได้ท่านก็อธิษฐานในการคุ้มครองก็อโจงกรเหม็นได้มามมามาขโมยไปขายที่คำปุชารีแล้วก็อุบัติเหตุได้ไม่เกิดหรือถ้าคนจะมีมีอุบัติเหตุร้ายแรงก็ได้เปล่าลงในท่านกติษฐานให้ขอท่านก็ได้ไม่ขอท่านก็มักจะเข้าใจ โดยเมตตาจิตทั้งทอยู่แล้วถึงเราถึงคุยกันในในหมู่ของคนที่ทำธุรกิจอะไรบางอย่างอย่างเช่นทำศิลปะท า, าเครื่องประดับเนี่ยนะเดี๋ยวนี้พวกเราอย่างน้อยก็สองคนที่ที่คุยกันอย่างชัดเจนได้ใช้อยู่คือทำไปด้วยแล้วก็ปลูกเสกไปด้วยนะเก่งไหมของของปูนี้ น่าสนับสนุนนะปลุกเสกไว้ด้วยว่าผม ก, ก็บอกเออเนี่ยว่าอใครซื้อบางทีมันเป็นของฟุ่มเฟือยนะฮะใครมาซื้อหรือเอาของเราไปใช้แล้วขอให้เกิดสศรีมงคลนนอะไรอธิษฐานไปให้นะทําไปอธิษฐานไปอธิษฐานไปเรื่อยให้มันกลายเป็นของมีค่าพิเศษขึ้นมาแต่ไม่ต้องไปบอกลูกค้าเขหรอกเดี๋ยวก็เกิดไป ไปใช้แล้วมันไม่ดีขึ้นมาจะมาว่าเราได้เราก็ทำไปอย่างน้อยแล้วก็ได้แผ่เมตตาได้ฝึกจิตนะแต่ก็ก็มันก็แปลกอย่างหนึ่งว่าไอ้ของเขามันมีสเสน่ห์อย่างนะทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอขนาดคนปลูกบ้านยังมีเลยไอ้นี่ขนาดเขาไมา่แด้ฐานตอนนี้ก็มามากรรมาฐานแล้วเมื่อก่อนไม่แต่ว่าเขาก็บอกโดยบังเอิญ น, นะนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยทาอะไรเขาจะ มีแต่ความปรารถนาดีไอ้สมมติว่าเขาทำบางเขจะดูทุกซอกทุกมุมเลยนะบางทีผิดนึกผิดนิดเดียวช่างมันว่าใช้ได้ก็บอกไม่ได้ต้องลือ้อทิ้งเขายอมที่จะเสียอะไรคือมันก็เกิดไอ้ไอ้น้ําใจอ น, นะเกิดกุศลจิตเลยทําให้ไอ้ไอ้สิ่งที่เขาทําก็สร้างเนี่ยมันขายดีคนได้อยู่แล้วก็มีความสุขแล้วก็รักเจ้าของบ้านมากขึ้น แล้วก็พาลูกค้ารายใหม่ๆมาเป็นเหยื่อให้ต่อบไปไเรื่อยๆเดี่ยผมเห็นมักกตาแล้วก็รู้สึกเออมันดีนะแม้กระทั่งเขียนหนังสือหนังหาเลยไม่เชื่อลองเลครับเนี่ยใครอะเขียนหนังสือไปสมัครงานทํากรรมฐานเป็นนะ <c oughs> นั่งแผ่เมตตาทําใจให้บริสุทธิ์ไม่ใช่จ้องจะเอานะแล <c oughs> ้วก็เขียนเขียนลงไปเนี่ยนะงั้นพวกพระหรือใครดีเขาจิตเขาอยู่ตัวเนี่ย จับอะไรขึ้นมามันกลั้งหมดนะนั่งทีเดียวกลั้งไปตลอดชีวิตอานาณนั่นนะนะมันเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเราก็เป็นลัาก็หนักคลยอย่างนี้แล้วยิ่งอธิษฐานนั่นก็ยิ่งแรงเพราะฉะนั้นจึงสรุปว่าไอเราเองเนี่ยเราเราปลุกเสกตัวเราเองอยู่โดยอัตโนมัตินะฮะให้การคุ้มครองตัวเราเองอยู่โดยอัตโนมัติ